66อาปัติอาทศานะอุคิตะวัตถุว่าด้วยภิกษุถูกสงลงอุเคปณียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติ1นึ่สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถูกสงลงอุเคปณียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติได้สึกไปเขากลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิธีปฏิบัติดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุถูกทรงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติได้สึกไปเขากลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีกพึงถามเขาว่าเจ้าเห็นอาบัตินั่นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมเห็นครับพึงให้บันประชาถ้าเขาตอบว่ากระผมไม่เห็นขอรับ ไม่พึงให้บรรพชาครั้นให้บรรพชาแล้วพึงถามว่าเจ้าเห็นอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมเห็นครับพึงให้อุปสมบทถ้าเขาตอบว่ากระผมไม่เห็นครับไม่พึงให้อุปสมบทครั้นให้อุปสมบทแล้วพึงถามว่าท่านเห็นอาบัตนั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมเห็นครับพึงเรียกเข้าหมู่ถ้าเขาตอบว่ากระผมไม่เห็นครับไม่พึงเรียกเข้าหมู่ครั้นเรียกเข้าหมู่แล้วพึงถามว่า ท่านเห็นอาบัตินั้นหรือถ้าเขาเห็นเองนั่นเป็นการดีถ้าไม่เห็นเมื่อได้สามาคัคคีพึงลงอุเคปเนิยกรรมบีเมื่อไม่ได้สามาคัคคีไม่ต้องอาบัติเพราะกินร่วมและอยู่ร่วม